ปีพุทธศักราช2494พรรษาที่เจ็ท่านจำพรรษาที่เสนาสนะป่าห้วยสายอําเภอคัเชะอีจังหวัดนครพนมหลายปีพุทธศักราช2493ถึง2494เราได้ติดตามท่านพระอาจารย์มหาบัญยานสัมปันโนทุดงท่องเที่ยวกรรมาฐานเดินตั้งแต่เช้ายันค่ำแม้ยากลำบากแต่เราก็เต็มใจเพราะคิดว่า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 ยุหน้องผือทุกกระเบียดนิ้วท่านตีและเข็นพระเนนโดยไม่ได้เห็นแก่น้าภาคเพียนเป็นอย่างมากวันคืนที่ผ่านไปล้วนแต่ประกอบจิตภาวนาในอิเรียบทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนประกอบความภาคเพียนด้วยสติปัญญาตลอดมองไปทางด้านใดเห็นพระเนนต่างเร่งความเพียนเหมือนว่าจะสิ้นกิเละกันไปหมดทุกคนกิริยาแห่งความขี้เกียจขี้คร้านไม่มีให้เห็น ทุกรูปทุกนามต่างก็เร่งความเพียรเหมือนจะขึ้นจิเลตในวันนี้หรือพรุ่งนี้เรื่องอาหารการขบฉันชาวบ้านเขามีอะไรเขาก็ถวายตามมีตามเกิดอย่างเช่นกบเขียดเพียงตัวเดียวแบ่งใส่บาตรพระเนนได้ถึงสี่รูปมะเขือรูปเดียวเขาจะแบ่งใส่บาตรพระเนนได้ถึงสีรูปในยามแห้งแลง้งน้ำในบ่ก็เหือดแห้งต้องเดินไปตักน้าถึงสามกิโลเมตรน้ำปนะ่าเ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 มันผิดสัญแดงไข้มาลาเรียเนนจึงตอบออกมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจว่ามะพร้าวครับอาจารย์เพียงคําพูดของสมานเนยน้อยนี้เท่านั้นจึงคิดว่าชาบิธาบัตได้มะพร้าวจะกินให้มันตายไปเลยเพราะจริงๆแล้วมะพร้ากกับไข้มาลาเรียเป็นของแสลงเป็นที่สุดครั้นรุ่งเช้าคณะออกไปบินฑบาดกับเพื่อนมองไปที่ต้นมะพร้าวมะพร้าวอ่อนทลายใหญ่ๆก็ขาดตกลงมาเสียงดังโตม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 คนจะไปติดมัวเมาในสิ่งเหล่านี้จนเกินไปไม่ใช่ท่านห่วงหรือตนนีแต่ประการใดแต่ท่านจากรักษาจิตใจคนอยากทนุธนอมให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมะไม่อยากให้ไปติดอยู่ในสิ่งของภายนอกเพียงแค่นั้นเมื่อจิตใจเราหดตัวเข้ามาสู่ความสงบมาพินิจพิจารณาถึงหลักความเป็นจริงเพราะว่าจิตวิญ ญ, ญาณเหล่านี้เวียนว่ายตายเกิดมานับกลับนับกัน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 หรืออุปจารสมาธิถ้าถอยออกมาขั้นคณิกะสมาธิมันก็อ่อนไปไม่พอที่จะเห็นอัศเห็นธรรมได้ง่ายท่านลงมาในจิตธรรมดาทีนี้อย่าไปหันไปทางโลกเลยโดยมากท่านลงมาอยู่ในขั้นอุปจารนีแหละเป็นส่วนใหญ่การพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในขั้นนี้ถ้าเข้าไปสู่ขั้นลึกไปกว่านี้อย่างอปปนาสมาธิก็พิจารณาอะไรไม่ได้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 โดยมากฤตีชีพรท่านมักประพฤติปฏิบัติไปถึงขั้นนี้แหละก็เลยเห็นอยู่เพียงแค่นี้มองไม่เห็นโลกที่ลึกลับซับซ้อนไปกว่านั้นนอกจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงค้นคว้าพินิษพิจารณาจึงค่อยรู้เลยโลกเหล่านี้ไปเรียกว่าโลกุตระโลกขอย้อนพูดถึงชาวบ้านห้วยสายชาวบ้านห้วยสายนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้มีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี มีความเคารพบนบุนอบพระเนนเป็นอย่างมากเป็นนักภาวนาภาวนาจนรู้วารจิตของผู้อื่นอย่างเช่นแม่ชีแจ้งเสียงล้ําภาวนาเจงถึงขั้นบอกได้เลยว่าพระองค์นี้คิดแบบนี้พระองค์นั้นคิดแบบนั้นสําหรับพระเนรแล้วจะน่ากลัวมากเพราะถ้าทําไม่ดีแม่ชีจะทักขึ้นทันทีหลังจากออกพรรษาก็พากันเดินธุ ด, ดงคบุก ป, ป่าฝ่าดงที่ชาวบ้านเรียกว่าดงมะอี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 โยกเขาอันแหลมคมวิ่งตรงเข้ามาหวังจะเผดพระให้ตายพระสองสามรูปตกใจวิ่งเตลดิดหนีหาที่กำบังส่วนเราเมื่อเห็นดังนั้นจึงตั้งสติหันหน้าใส่ฝูงควายป่าแล้วก็ชักร่มกดให้กลางออกฝูงควายป่าเมื่อวิ่งเข้ามาใกล้เห็นร่มกรดกลางออกเสียงดังพึบตกใจวิ่งเตลดิดหนีเข้าป่านี้นักว่าเป็นปัญญาบา ร, รมีของเราผ่านเทือกเขาเตีย้ยเตีย้ยสลับทับซ้อน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 ขอย้อนเท้าความหลังสักเล็กน้อยท่านพระจย์มั่นได้เล่าในภายหลังว่าหลวงปู่บัวท่านได้โสดาบันตั้งแต่เป็นโยมแต่ให้หยุดภาวนาเสียก่อนเพราะวิถีจิตเพื่อมุ่งสู่ความหลุดพ้นยังเดินไม่ถูกทางเดีย๋ยวจะมีคนมาโปรใช้ายที่สุดแห่งภพชาติของหลวงปู่บัวสิริปุนโนท่านได้สนทนา ร, รมขั้นสูงกับหลวงตามหาบัวญานสัมปันโนตามคาทานายของท่านพระจ่ามั่น นาวัดป่าแจ้วชุมพลอเภอสว่างแดนดินจัังสกลนครหลวงตามหาบัวท่านแนะนำวิธีปฏิบัติให้ในตอนเย็นพอตอนเช้าท่านก็จบจิตพรหมจันทร์เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบวรพระพุทธศาสนาข้อความตอนหนึ่งที่หลวงปู่บัวเล่าถวายหลวงตามหาบัวว่าผมจับอุบายธรรมที่ท่านอาจารย์แนะนาให้พิจารณาจิตเข้าปุบเลยเพราะแต่ก่อนมันไม่รู้ เข้าใจว่าตนเองสำเร็จแล้วได้แต่เข้ากันอยู่อย่างนั้นเสียแสดงว่าตนเองสำเร็จก็อยู่อย่างนั้นเสียพอเอาอุบายธทรรมที่ท่านอาจารย์แนะนำเข้าใส่ปั๊บปุ๊บโหไม่นานเลยปรากฏเหมือนกับคานกุฏิขาดยุบลงตูมลงพื้นทันทีเหมือนกับว่าก้นกระแทกดินแต่ไม่เจ็บคึบทีเดียวเลยแต่จิตมันไม่กังวลเพราะมันไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรในขณะนั้น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 ทั้งที่หลวงปู่ศรีเป็นครูมาก่อนนี่เพราะท่านเคารพกันด้วยคุณธรรมนั่นเอง